พระไตรปิฎกเล่มที่สิบีพาละปันดิตะสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกเศรษฐีเกตกรสาวัตถีหน้าที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลักษณะของคนพาล เครื่องหมายของคนพานความประพฤติไม่ขาดสายของคนพานสามประการนี้ลักษณะของคนพานสามประการอะไรบ้างคือคนพานในโลกนี้ชอบคิดแต่เรื่องชั่วชอบพูดแต่เรื่องชั่วชอบทำแต่กรรมชั่วชอบคิดแต่เรื่องชั่วหมายถึงประกอบมโนทุจริตสาคืออภิชาเพ่งเลงอยากได้ของของผู้อื่น พยาบาทความคิดปองร้ายและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดชอบพูดแต่เรื่องชั่วหมายถึงประกอบวจีทุจริตได้แก่มุสาวาศพูดเท็จปิสุนาวาจาพูดสอเสียดพารุสวาจาพูดคำหยาบและสัมผัสปลาปากพูดเพ้อเจอ้อชอบทำแต่กรรมชั่วหมายถึงประกอบกายทุจริต ได้แก่ปานาติบาตค่าสัตว์อธินาทานลักทรัพย์กาเมสมิชาจารประพฤติผิดในกามคนพานนั้นย่อมสวยทุกโทมนัสสามประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าคนพานนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางก็ดีถ้าชนในที่นั้นผู้ถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขา คือพูดกันถึงเรื่องโทษของการผิดศีลห้าทั้งโทษในปัจจุบันและหลังตายแล้วถ้าคนผ่านเป็นผู้ข่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นคนผ่านจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่จนผูถ้ถอยคาที่สมควรแกท่ทำนั้นทำเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมสวยทุกโทมนัสประการที่หนึ่งในปัจจุบันข้อนี้คือคนพาลคือคนไม่มีศีลเมื่อมีคนพูดกันถึงเรื่องโทษของการผิดศีลย่อมเกิดความทุกข์ทางใจไม่สบายใจร้อนตัวต่อให้หลอกตัวเองว่าไม่รู้สึกอะไรแต่จิตลึกๆต้องรู้สึกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ได้ ย่อมมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเทียบกันแล้วถ้าแต่ละคนเลือกได้ย่อมรู้สึกภูมิใจในการไม่ทำบาปการมีสินของตนมากกว่าการเป็นผู้ทตศีลหากเราฆ่าคนขโมยของเป็นชู้ชาวบ้านคงไม่มีใครภูมิใจประกาศไปทุกที่ว่าฉันเป็นคนแบบนี้และเวลาใครพูดถึงการฆ่าการปล้นการเป็นชู้ ก็ต้องรู้สึกหวาดระแวงกลัวว่าเขาจะพูดถึงเราหรือถูกประนามจากสังคมคำว่าธรรมะหรือธรรมในพระไตรปิฎกจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามรูปประโยคนะครับผู้ศึกษาต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจแม้จะยากไปสักหน่อยแต่อดทนไปจะเข้าใจได้เองคนทั่วไปจะเข้าใจว่าธรรมะหรือธรรมคือคำสั่งสอน ซึ่งคำนี้ผู้อ่านจะพยายามอ่านเป็นธรรมะเพื่อป้องกันคนฟังเข้าใจผิดว่าเป็นคำว่าธรรมที่สะกดด้วยทอทหารคือการกระทำนะครับส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าเป็นคำสั่งสอนแต่ความจริงบางตอนอาจหมายถึงความถูกต้องต้นเหตุสิ่งปรากฏการข้อปฏิบัติสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่เป็นที่ทำที่มีอยู่ในตนหรือคนอื่นแม้แต่การทาชั่วก็ยังใช้คาว่าธรรมะหรือธรรมเหมือนกัน เช่นธรรมะนั้นที่มีอยู่ในตัวจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนพาลเห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆเช่นให้เคียนโดยหวายบ้างตัดมือตัดเท้าบ้างหรือการลงโทษในปัจจุบันก็คือริบรัพ์จำคุก คนพาณ น, นั้นรู้เห็นชัดว่าการทำผิดเป็นเหตุให้ถูกลงโทษย่อมเกิดความทุกข์ใจหวาดระแวงกังวลด้วยเหตุที่กลัวความจริงจะเปิดเผยตนเองจะโดนจับไปลงโทษบ้างในวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายคนพานย่อมสวยทุกโทมนัตประการที่สองนี้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพาณทำ ือการประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตและมโนโทุจริตไว้ในการก่อนย่อมโ่วงเหนี่ยวบดบังครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นข้อนี้มีความหมายถึงเมื่อถึงความเจ็บป่วยหรือใกล้ตายเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมกั้นบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็น ในเรื่องนั้นคนผ่านมีความคิดอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้ทำความดีไว้หนอยังไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมเศร้าหมองเราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมเศร้าหมองเขาย่อมเศร้าโศคลาบากใจ ร, ร่ไร ทุกปกครื่มครวรถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายคนพานย่อมสวยทุกโทมนักประการที่สามนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายคนพานนั้นยังประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุ ก, กติวินิบาทนรกบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนรกนั้นนั่นแหละว่า เป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียวทุกนี้กับทุกเ น, นยรกเปรียบเทียบกันไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามว่าจะทรงอุ ป, ปมาได้อีกหรือไม่จึงตรัสแสดงอุ ป, ปมาว่าเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดได้แล้วจึงแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะ ผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชาจึงมีประกะแสรับสั่งให้ไปช่วยกันประหารบุรุษนี้ด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงรักถามได้ความว่ายังมีชีวิตอยู่จึงทรงให้ไปช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกอีกหนึ่งร้อยเล่ม ต่อมาในเวลาเย็นบูรุษนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่จึงทรงให้ไปประหารด้วยห อ, อกอีกร้อยเล่มภิกษุทั้งหลายบูรุษนั้นถูกประหารด้วยห อ, อกสามร้อยเล่มพึงเสวยทุกโทมนัตเพราะการประหาร น, นั้นเป็นเหตุบ้างไหมทูนตอบว่าแม้เพียงห อ, อกเล่มเดียวก็ต้องเสวยทุกโทมนัตแล้วไม่ต้องกล่าวถึงห อ, อกสามร้อยเล่มเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก้อนหินนี้กับคุณเขาหิมะพ า, านอย่างไหนใหญ่กว่ากันทูลตอบว่าก้อนหินที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับคุณเขาหินมะพ า, านแล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยว ไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันทุกโทมนัสเพราะการประหาร น, นั้นเป็นเหตุที่บุรุษถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มเสวย อ, อยู่นั้นเปรียบเทียบกับทุก์แห่งนรกแล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลย นายนิริยาบาลทั้งหลายจะลงโทษด้วยการตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกคนผ่านนั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยาบาลฉุดลากเข้าไปเอาขวานถากจับเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือน จับเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชวช่วงบังคับให้ขึ้นลงภูเขา่านเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนโช h o ช่วงจับทุ่มลงในหม้อทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟคนผ่านนั้นถูกต้มเดือดจนตัวพองบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงเขาเสวยทุกเขเวทนากล้ายอย่างหนักเผ็ดร้อน แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลูกโชนโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านละหนึ่งรอยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลาย ทุกนี้กับทุกในนรกเรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารมีอยู่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นใช้ฟันเล็มหญ้าสดบ้างหญ้าแห้งบ้างมีช้างมา้าโคลาแพะกวางเป็นต้นในเบื้องต้นคนผ่านในโลกนี้นั้นติดใจในรส บริโภคด้วยติดใจในรถโดยความอยากในรถอาหารและเป็นผู้ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจาตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้นตรัสโดยในยะเดียวกันทีละลำดับคือสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคู่คืออุจจาระเป็นอาหารได้แก่ไก่สุกรสุนัขบ้า น, ส, น, านสุนักป่าเป็นต้น สัตว์เดรัจฉานจําพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดคือแมลงมอดไส้เดือนเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานจําพวกที่เกิดในน้ําแก่ในน้ําตายในน้ําเช่นปลาเต่าจระเข้เป็นต้นสัตว์เดรัจฉานจําพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกและตายในที่โสโครก สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในปลาเน่าแก่ในปลาเน่าตายในปลาเน่าเกิดในศพเน่าแก่ในศพเน่าตายในศพเน่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในขนมคุ้มมาที่บูดจำพวกที่เกิดในน้าครามจาพวกที่เกิดในหลุมโศโครคในเบื้องต้นคนผ่านในโลกนี้นั้นติดใจในรสบริโภคด้วยติดใจในรสโดยความอยากในรสอาหาร ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์พวกใดพวกหนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายทุกนี้คือความทุกข์ในปัจจุบันจากการทาบาปกับทุกข์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์สาหัสมากกว่าและเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย ผูุ้ดพึ่งโยนแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรถูกลมพัดลอยไปมาไม่มีทิศทางในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งผ่านไปหนึ่งร้อปีมันจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นไปได้ยากที่เต่าตาบอดนั้นจะพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานนานบางครั้งบางคราว มันก็จะสอดเข้าไปในแอกนั้นได้บ้างภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นยังง่ายและเร็วกว่าการที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตจะพึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติชอบ ไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญในวินิบาดนั้นมีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเองเคี้ยกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่าคนผานคือคนที่ทำบาปกรรมไว้ในอดีตนั้นหลังจากชดใช้กรรมในนรกเกิดเป็นสัตว์โดยเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่ำ ที่เป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและคนผ่านนั้นมีผิวพรรณหม่นห ม, มองไม่น่าดูต่าเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอบหรือเป็นโรคอมัมภาตมักไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำผ้า ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบถ้าเขาอย่างประพฤติกายอย่าทุจริตวาจีตุจริตมโนตุจริตหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในอบายทุ ก, กติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพ น, นันเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้น จึงเสียลูกเสียเมียเสียทรัพสมบัติทุกอย่างและถึงการจองจำที่เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งของเขาแต่ความพ่ายแพ้นี้เป็นเพียงสมบัติเล็กน้อยยังไม่พอให้ผู้ชนะเขาจึงต้องถูกจองจำแม้ฉันใดความพ่ายแพ้ของคนพาลผู้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจะตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติ วินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นภูมิของคนผ่านที่คน่านบำเพ็ญไว้ทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิตสามประการนี้คือบัณฑิตในโลกนี้ชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีชอบทำแต่กรรมดี บัณฑิตนั้นย่อมสวยสุขสมันนัดสาประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาในตรอกริมทางก็ดีถ้าชนในนั้นพูดถ้อยคําที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาคือเรื่องอนิสง์ของการรักษาศีลบุญจากการทําดีถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขสมมนัสประการที่หนึ่งในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งบัณฑิตเห็นพระราชาทั้งหลายรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาลงอาญาด้วยประการต่างๆจากการทำผิดประการต่างๆบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีในเราเราไม่เคยทำบาป ก, กรรมอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตยอมสวยสุขโสมนัสประการที่สองนี้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งในสมัยนั้น กรรมดีที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตและมโนสุจริตไว้ในการก่อนยอมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นข้อนี้มีความหมายถึงเมื่อถึงความเจ็บป่วยหรือใกล้ตายเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็น ในเรื่องนั้นบัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ไว้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้หนาไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้เราทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เราตายแล้วจะไปสุคติของผู้ไม่ได้ทำความชั่วไว้ทำแต่ความดีทำแต่กุศลเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจ ไม่รำไรไม่ทุก อ, อกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขโสมนัสประการที่สามนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมนโนสุจจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสวรรค์ น, นั่นแหละว่า เป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายอุปมาเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการและฤทธิ์คือความสำเร็จสี่ประการนั้นเป็นเหตุพระเจ้าจักรพรรดนั้นจึงสวยสุขสมนนัต สำหรับเรื่องแก้วเจ็ประการนั้นมีกล่าวโดวยละเอียดในพระสูตรอื่นแล้วนะครับจึงขอสรุปย่อมาอีกครั้งดังนี้แก้วประการที่หนึ่งคือจากแก้วอันเป็นทิพย์หมุนลอยไปได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่โดยที่ไม่มีการสู้รบช้างแก้วมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ไปได้ไกลและใช้เวลาน้อยม้าแก้วเหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวลาหก ไปได้ไกลและใช้เวลาน้อยมณนีแก้วพระสมีแผ่ซ่านออกไปรอบๆประมาณหนึ่งโยน์เมื่อนำไปผูกไว้ที่ยอดธงทำให้มีความสว่างมากจนผู้คนคิดว่าเป็นเวลากลางวันนางแก้วเป็นสตรีรูปงามเกินผิวพธุ์ของหญิงมนุษย์มีสัมผัสอ่อนนุ่มดุดปุยนุ่นมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อน มีกลิ่นจันหอมฟุ้งออกจากกายปรนิบัติดูแลอย่างดีมีความรักมั่นไม่นอกใจขหบดีแก้วเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดแต่ผลกรรมซึ่งสามารถเห็นกลุ่มรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเป็นขุนคลังหาทรัพย์เข้าพระราชวังได้มากบรินายกแก้วเป็นบัณดิตมีปรีชาสามารถถวายข้อแนะนาให้พระเจ้าจากกักรพรรดิ ทรงบำรุงผู้ที่กวนบำรุงถอดถอนผู้ที่ควนถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่กวนแต่งตั้งคอยถวายคำปรึกษาที่ดีมีประโยชน์มากสำหรับเรื่องแก้วเจ็ดประการนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณก็คงจะรู้สึกเกินจริงที่จะเชื่อถือได้นะครับแต่หลายเรื่องในปัจจุบันก็ใกล้ความจริงมากแล้วเช่นช้างแก้วมาแก้วอาเทียบได้กับยานบินความเร็วสูงที่ยังต้องพัฒนาได้อีกมาก ภาษาในพระไตรปิฎกนะครับจะใช้คําที่คนสมัยนั้นเข้าใจมาเรียกเป็นชื่อจึงควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าจะกล่าวถึงโทรศัพท์ทีวีให้คนสมัยพุทธกาลฟังถ้าจะใช้คําที่ใช้ในปัจจุบันก็คงอธิบายไม่เข้าใจและไม่มีทางเข้าใจได้เลยพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการเป็นอย่างไร คือพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้มีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีปุตผ่ผองยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นอีกประการหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่ในราชสมบัตินานเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นอีกประการหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระโรคาพาดน้อยมีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ําเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นอีกประการหนึ่งพระเจ้าจากกักรพรรดิทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพรามและขหาพดีทั้งหลายเปรียบเหมือนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรอันหนึง่งพรามและขหาพดีทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทยัยแม่ของพระเจ้าจากักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของบิดาภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าจากกักรพรรดิพึงสวยสุขสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า แค่สรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วประการเดียวก็ทรงสวยสุขสมนัตแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการสมบูรณ์ทุกประการเลยพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่าพระหัตถ์ขึ้นมาแล้วถามว่าเทียบกับขุนเขาหิมะพานอย่างไหนใหญ่กว่ากันทูลตอบว่าก้อนหินนี้เปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานแล้วไม่ถึงการนับแม้ส่วนแห่งเสี้ยว เทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสุขสมณที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการทรงสวยสุขสมนัตอันมีความสมบูรณ์นั้นเป็นเหตุเปรียบเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวเทียบกันไม่ได้เลย บัณฑิตนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมันนานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงอันเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากและบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักมีปกติได้ข้าวน้ำผ้าหยานพาหนะดอกไม้ของหอม เครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบและเมื่อเขาประพฤติกายสุจจริตวจีสุจจริตมโนสุจจริตหลังจะตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพ น, นันได้รับภโกสมบัติมากมายเพราะความชนะครั้งแรกนั้นยังถือเป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์ที่เขามีและพึงได้เพิ่ม โดยที่แท้ความชนะของบัณฑิตผู้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมีสุขโสมนัสที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขจากโลกมนุษย์นี้นี้เป็นภูมิของบัณฑิตที่บัณฑิตบำเพ็ญไว้ทั้งสิน้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบพาราปันดิตะสูตรสำหรับการเปรียบเทียบเรื่องการพานันข้อนี้เป็นสำนวนของอินเดียโบราณนะครับไม่ใช่ว่าการเล่นพนันจะชนะได้ตลอด ส่วนใหญ่ไม่มีใครรวยจากการพ น, นันได้เลยมีแต่ชิบหายกันทัวหน้าทั้งนั้นนะครับต่อให้ได้มาก็เป็นเงินร้อนไม่นานก็จะหมดไปด้วยเรื่องโงโงๆหรือเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนซื้อหวยนะครับนานๆถูกทีก็ดีใจแต่ลองนับทั้งชีวิตจะพบว่าหมดไปเสียไปเยอะมากกว่าที่เคยถูกอย่างเทียบกันไม่ได้เลยคนที่เข้าถูกจริงก็เพราะบุญเก่าที่ทำไว้ ถ้าไม่เคยทำบุญไว้ก็ไม่มีทางถูกเทวดาที่ไหนก็ช่วยให้ถูกไม่ได้นะครับนี่คือการเบิกบุญมาใช้ถูกหวยรางวัลใหญ่ไม่กี่วันตายเนะี่ยหรือวอดวายก็มีให้เห็นอยู่เยอะทางที่ดีนะครับถ้าจะซื้อหวยก็หันมาซื้อแบบถูกกฎหมายระหว่างจิตว่าขอเอาเงินเข้าคลังไปช่วยประเทศชาติเป็นค่าไฟถนนค่าบารุงวัดและโรงพยาบาล โดยไม่ต้องหวังจะถูกรองวัลเท่านี้ก็เป็นการสะสมบุญให้ตัวเองสร้างกุศลรจิตสร้างจิตเมตตาให้ตนได้อย่างมากนะครับแถมถ้ามีโอกาสกรรมดีให้ผลพอดีก็อาจจะได้ของแถมเป็นรองวัลใหญ่ไว้ดูแลครอบครัวอีกด้วยอย่าคิดว่าขอให้ถูกหวยจะได้มีเงินทำบุญเพราะบุญที่จะอ น, นิสง์มากเกิดจากความเพียรมากหรือเปล่าของได้มาฟรี แม้เงินร้อยล้านก็ยังเทียบไม่ได้กับข้าวทัพพีเดียวที่เอาไปทำบุญโดยที่ข้าวนั้นมาจากจิตที่บริสุทธิ์ละหามาได้ด้วยความยากลำบากเรื่องนี้ก็มีกล่าวในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันนะครับ